นกแห่งความสัตว์จริงกาละครั้งหนึ่งยังมีชาวประมงคนหนึ่งหวานแหของเขาลงในแม่นาม้าเขานั่งรอและกินอาหารอยู่บนเรือในตอนนั้นเองเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นในขณะที่รออยู่ตรงแม่นาม้าเขาพบเปลที่ทาจากคริสตัลอันหนึง่งกำลังลอยพรุบๆโผล่ตรงมาทางเรือของเขาชาวประมงรีบไปที่นั่นและคว้าห่อผ้าไว้ข้างในนั้น ถูกห่อด้วยผ้าไหมที่ดีที่สุดที่เขาเคยเห็นเขาเปิดมันออกและพบกับเด็กทารกสองคนหัวใจของชาวประมงเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเขาจึงพาเด็กทั้งสองกลับไปที่บ้านจิรักดูสิผมพาใครกลับมาจากแม่น้ําวันนี้เด็กสองคนแต่เรามีลูกศิษยคนที่ต้องเลี้ยงแล้วนะแล้วคุณจะให้ผมทํำยังไงปล่อยให้พวกเขาจมน้ําตายอย่างนั้นเหรอ ฉันรู้ค่ะถ้าเรามีอาหารพอสำหรับพวกเราหกคนเราก็คงมีพอสำหรับแปดคนนะคะอาหารของชาวประมงมีมากมายเหลือเฟือไม่นานเด็กทั้งสองก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กหนุ่มและเด็กสาวที่รูปงามอ่อนโยนและชาญฉลาดมีกิริยาที่อ่อนหวานและมีคุณธรรมแต่เด็กคนอื่นๆก็ไม่ใจดีกับพวกเขาและบ่อยครั้งที่พูดจาร้ายกับพวกเขาเอาตุก๊กตาของฉัคนมานะ พ่อซื้อให้ฉัน呀ฉันคิดว่าพ่อบอกให้เราแบ่งกันเล่นจะอีกนะแต่ว่าเขาไม่ใช่พ่อทแท้ๆของเธอไม่ใช่หรอเขาเก็บเธอได้จากแม่น้ําไปเล่นกับไปคริสตท่ของเธอโน่นไปมันเบอกกับเธอที่สุดแล้วล่ะนะบางครั้งสองพี่น้องก็ออกไปยังป่าเพื่ออยู่อย่างเงียบๆพวกเขานําขนมปังที่เก็บไว้ตอนมื้อเช้าออกมาให้พวกนกได้กินตอบแทนที่พวกนกสอนหลายสิ่งหลายอย่างแก่พวกเขา เช่นภาษาของพวกนกวิธีใช้ชีวิตในป่าและ ว, วิธีร้องเพลงแล้วคืนหนึ่งหลังจากที่เด็กคนอื่นๆได้กแกล้งพวกเขาอย่างร้ายกาศสองพี่น้องกาพร้าได้ตัดสินใจขึ้นไม่ว่าพวกเราจะพยายามแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีวันชอบเรานะและนั่นก็เป็นปัญหาให้พ่อ ก, กับแม่ต้องแก้ไขมันคงดีถ้าพวกเราไม่ได้อยู่ที่นี่เธอว่าไหม พ่อกับแม่จะออกไปที่เมืองพรุ่งนี้เช้าเราต้องไปหลังจากที่พวกเขาออกไปดังนั้นเมื่อชาวประมงและภรรยาของเขาออกจากเมืองสองพี่น้องได้ออกจากบ้านเข้าไปยังป่าพวกเขาเดินทางเป็นเวลากว่าสมวันเมื่อถึงกลางคืนพวกเขาเหนื่อยมากจากนั้นพวกเขาพบกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไปไม่ไกลดูนั่นสิเราลองไปดูไหม เราอาจมีที่พักที่นั่นพวกเขาไปยังกระท่อมและเ้อประตูแต่ไม่มีใครตอบรับเลยเอาไงดีล่ะที่นี้ดูนั่นมีมานั่งอยู่ตรงนั้นอย่างน้อยเราก็พักที่นั่นได้คืนนี้ดังนั้นพวกเขาจึงนั่งลงพักที่มานั่งแต่พวกเขานอนไม่หลับเลยพวกเขาแหงนหน้ามองไปยังดวงจันทร์และดวงดาวทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมีเสียงพูดคุยกันอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆ พวกเขารู้ภาษาของนกดังนั้นพวกเขาจึงเข้าใจทุกอย่างว่าพวกนกกำลังทำอะไรนายมาจากในเมืองสินะเพื่อนเป็นไงบ้างละ่ะกับเพื่อนๆนในป่าแห่ง น, นี้เออก็ดีนะแค่อาการไม่เหมือนกันฉันเคยหนาวมาก่อ น, น, นหน้านี้นกก็หนาวเป็นอย่างนั้นเหรอฟังสิแล้ว ในเมืองเป็นยังไงบ้างเหรอออก็ไม่มีอะไรมากราชาที่น่าสงสารก็ยังทุกใจเช่นเคยไม่มีอะไรเยียวยาและทำให้เขาสงบสุขได้มันคงยากสำหรับเขานั่นแหละทั้งราชินีและลูกหายไปขนาดนั้นอ้อไม่ใช่นางไม่ได้หายไปไหนนางถูกขังอยู่บนหอคอยหมายความว่ายังไงแต่ฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองหรอกนะ ฉันได้ยินมาจากนกกาหว่วที่อาศัยอยู่ในสวนของวังอีกทีหนึง่งเอาเลยพวกเราเร็วๆได้ยินอะไรมาอย่างนั้นเหรอท่าน <c oughs> นายรู้ใช่ไหมว่าราชาแต่งงานกับหญิงงามที่เขาตกหลุมรักเนะี่ยใช่พวกเรารู้นั่นแหละหญิงคนนั้นฉลาดพอๆกับความงามของเธอทําให้ราชารักเธออย่างสุดซึ้งเธอพบกับขุนนางในพระราชวังและรัฐมนตรีบางคนกําลังป้นราชาเธอจึงเปิดโองพวกเขา เรื่องจริงอย่างนั้นเหรอใช่แต่พวกขุนนางที่ทุจริตรู้เรื่องนี้เข้าเมื่อราชาออกไปทำสงครามพวกเขาจึงจับราชินีขังไว้ในหอคอยแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงล่ะพวกเขาจะฝาแฝดใส่ไปในเปลคริสตัลและปล่อยให้ไหลไปกับแม่น้ำวกกาวาวเดเห็นกับตาเลยล่ะนะเมื่อสองพี่น้องได้ยินเกี่ยวกับเปลคริสตัล พวกเขาก็นึกถึงเปลที่พวกเขาถูกใส่ไว้และลอยอยู่ในแม่น้ําก่อนที่ชาประมงจะพบเขาและพากลับบ้านไปเล่นเก็บเปลคริสตัลของเธอนอนไปมันเหมาะกับเธอที่สุดแล้วนี่นะแล้วราชาไม่พยายามตามหาพวกเขาเหรอเห็นได้ชัดว่าขุนนางที่ทุกเจอเรดบอกเขาว่าราชินีกลัวสงครามมากจึงหนีไปพร้อมกับลูกทั้งสองของเขาราชาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าราชินีถูกขังอยู่บนหอคอย แล้วถ้าเกิดเจ้าชายและเจ้าหญิงตัวจริงกลับไปที่พระราชวังละ่ะราชาจะจาพวกเขาได้ไหมจะพูดภาษาของพวกเราได้เหรอใช่เรารู้นกที่เหมือนกับพึ่นายมีเมตตาและสอนให้กับพวกเราเบรกคริสตัลที่นายพูดถึงพวกเรา อ, อยู่ในนั้นและลอยอยู่ในแม่น้ำชาประมงเห็นพวกเราและพาเราไปที่บ้านเขา แดงว่าพวกคุณคือเจ้าชายและเจ้าหญิงอย่างนั้นเหรอูกริยามารยาทของพวกเขาสิพวกเขาต้องใช่แน่นอนแต่ว่าใครจะเชื่อพวกเขาล่ะพวกเขาจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าพวกเขาเป็นลูกของราชาในนกอยู่ตัวหนึ่งนกแห่งความสัต์จริงนกตัวเดียวในโลกที่สามารถพูดภาษาคนได้นกตัวนั้นน่ะรู้ความจริงทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะสามารถช่วยพวกคุณ เราจะหาเขาพบได้ที่ไหนมีแม่มดอาศัยอยู่ในหุบเขาสีมูกนางจะบอกทางพวกคุณไปยังปราสาทมาถึงและไม่มีวันไปนกนั่นถูกจับเป็นเชลย อ, อยู่แต่ก่อนที่พวกคุณจะเข้าไปในปราสาทคุยกับนกฮูกที่สามารถคุยภาษาคนได้เพียงคำเดียวคำ ขอบคุณมากเลยนะเราจะทำทุกอย่างเพื่อจะให้ได้กลับไปหาพ่อของพวกเราค่ะดังนั้นเจ้าชายและเจ้าหญิงจึงเดินเข้าไปในป่าพวกเขามีความสุขและกระเตือเรือร้อรนที่จะพบพอ่อและปล่อยแม่ของพวกเขามาพวกเขาลืมความเหนื่อยล้าความหิวโหยและเดินไปเรื่อยๆในที่สุดพวกเขาก็มาถึงถ้าในหุบเขาสีม่วงที่แม่มดอาศัยอยู่พวกเขาเคาะประตูอย่างกล้าหาญ กันบังอาจมารบกวนฉันได้เวลาอันนี้อุละพวกเธอมาทําอะไรที่นี่นะพวกเราต้องการรู้ทางไปที่ปราสาทมาถึงและไม่มีวันไปที่นั่นพวกเธอค่อยไปปลุกนี้ช้าก็ได้ฉันก็จะถึงตอนนั้นทำไมไม่พักกับสัต์เลยคลานของฉันไปก่อนล่ะคะขอบคุณมากนะคะแต่พวกเราต้องการไปที่นั่นจริงๆ ฉันจะบอกทางเธอก็ต่อเมือ่อเธอนำน้าพุหลากสีที่อยู่บนลานปร า, าสาทมาให้ฉันเท่านั้นนะเออได้แน่นอนดังนั้นแม่มอจึงส่งเหยื่อให้พวกเขาเพื่อนาน้ผพุหลากสีกลับมาให้เธอและส่งสุนัขนำทางพวกเขาไปยังปร า, าสาทนกฮูกนั อ, น อ, อยู่ไหนกันนะพวกนกบอกให้เราคุยกับเขาก่อนที่พวกเราจะเข้าไปในปร า, าสาทนะ ท่านใดนั้นเพราะเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างขอมข้อมนักุกนั่นนักุกแสนดีพวกเราต้องการเข้าไปในปราสาทมาถึงแล้วไม่มีวันไปเราต้องการคุยกับเจ้าก่อนที่พวกเราจะเข้าไปเม่โมดบอกทางพวกเจ้างั้นเหรอใช่แล้วแล้วนางได้ขอให้พวกเธอนำน้ำจากน้ำผู้หลากสีไปให้เธอหรือเปล่าใช่ค่ะยาทาแบบนั้น เติมเยื่อของแม่หมดด้วยน้ำจากน้ำูุธรรมชาติที่ไหลอยู่ข้างๆน้ำูุหลากสีจากนั้นเข้าไปข้างในที่นั่นจะมีนกมากมายร้องออกมาว่าพวกเขาคือนกแห่งความสัตว์จริงแต่ว่านกแห่งความสัตว์จริงตัวจริงอยู่ที่มุมสุดนกพิราบสีเงินทําทั้งหมดนี้ให้รวดเร็ว เพราะว่าเจ้ายากจะมาที่นี่ในทุกเย็นตามคำสั่งของแม่มดขอบคุณมากนกฮูกแสนดีดังนั้นเด็กๆจึงทำตามที่นกฮูกพูดพวกเขาเติมน้าจากน้ำพุธรรมชาติลงไปจนเต็มเหยือของแม่มดและเข้าไปกรงนกขนาดใหญ่ที่นั่นพวกนกได้ร้องออกมาฉนคือนกแห่งความสัตว์จริงฉันคือนกแห่งความสัตว์จริงไม่ฉันต่างหากไม่ฉันตังหก เด็กๆมองเห็นนกแห่งความสัตว์จริงตัวจริงพวกเขาพามันออกไปอย่างรวดเร็วและวิ่งออกจากปราสาทจนมาถึงถ้าของแม่มดอ๋อได้นกแห่งความสัตว์จริงมาแล้วสินนะแล้วไหนละน้ำแห่ง น, น้ำพุหลากสีของฉันพวกเธอจงเปลีป่ยนเป็นสัตว์เลือ้อยคลานซะแต่แทนที่จะกลายเป็นสัตว์เลื้อยคลานเจ้าชายและเจ้าหญิงเริ่มเปล่งออร่าและแข็งแกร่งขึ้น จากพลังของน้ำพุแห่งธรรมชาติเมื่อเห็นดังนั้นเหล่าสัตว์ทั้งหมดในถา้าเริ่มคาดเข้ามาหาน้ำแม่หมดรีบหนีไปและไม่พบเ่าอีกเลยเด็กๆมาที่พระราชวังแต่คนนาที่ชั่วร้ายก็ไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปเราต้องห้ามให้พวกเขาเห็นนกแห่งความสัตว์จริงไม่งั้นพวกเขาจะไม่ให้เราเข้าไปเราแค่แบบพวกเขาไปว่าต้องการพบราชาเนะี่ย พวกเจ้าทั้งสองคนมาทำอะไรที่นี่เราต้องการเข้าพบราชาพวกเรามีของขวัญบางอย่างแด่เขาพวกเธอกล้ารบกวนราชาเงี้ยหรอใสหัวไปซะแต่นกแห่งความสัจจริงได้บินออกจากกระเป๋าตรงไปยังห้องของราชามันเข้าไปทางหน้าต่างและบอกทุกอย่างกับพระราชานั่นทำให้ราชินีของท่านถูกขังอยู่บนหอคอย และเจ้าชายกับเจ้าหญิงของท่านกําลังรออยู่นอกพระราชวังราชาจึงรีบออกไปก่อโลกทั้งสองของเขาขุนนางที่ชั่วร้ายถูกจับและราชินีก็ถูกปล่อยจากหอคอย <c oughs> ราชาตอบแทนความมีเมตตาของชาวประมงและพระยาของเขาอย่างสมควร <c oughs> เจ้าชายและเจ้าหญิงได้อยู่กับพ่อและแม่ของพวกเขาอย่างมีความสุขนิดนิร์